แนะนำบทยาซีนบทยาซีนเป็นบทมักกียะห์มี 83 โองการที่ประมวลไว้ด้วยเรื่องสําคัญที่เป็นหลักการ 3 เรื่องคือการศรัทธาการฟื้นคืนชีพและการชุบรูปบทนี้เริ่มด้วยการสาบานด้วยอัลกุรอานถึงความถูกต้องขององค์การและความจริงแห่งศาลของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวกุเรชมักกะฮ์ซึ่งได้ดำเนินชีวิตอยู่ในการหลงผิดและหลงทางที่เกินขอบเขตและปฏิเสธการเป็นศาสนทูตของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นการลงโทษของอัลเลาะห์จึงควรแก่พวกเขาบทนี้ได้นําเอาเรื่องราวของชาวเมืองอันตอคียะซึ่งได้ปฏิเสธศรัทธามากล่าวไว้ เพื่อเตือนให้นึกถึงผลแห่งการปฏิเสธองค์การและศาลแห่งพระผู้เป็นเจ้าบทนี้ได้กล่าวถึงชาติทีของนักเผยแผ่ผู้ศรัทธาผู้หนึ่งคือฮาบีบุลนัดยาซึ่งเขาได้สั่งสอนกลุ่มชนของเขาแล้วกลุ่มชนนั้นได้ฆ่าเขาอัลเลาะห์จึงทรงให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์และพระองค์ไม่ได้ประวิงเวลาให้แก่บรรดาอาจารย์เหล่านั้น พระองค์ทรงคร่าชีวิตของพวกเขาด้วยเสียงกัมปนาทจนพินาศย่อยยับบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพในจักรวาลอันน่าประหลาดนี้เริ่มด้วยภาพลักษณ์ของแผ่นดินที่แห้งแล้งได้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกภาพลักษณ์ของกลางคืนเมื่อกลางวันได้ผ่านพ้นไปจนกลายเป็นมืดมิด ภาพหลักของดวงอาทิตย์อันเจิดจ้าที่หมุนโคจรไปด้วยเดชานุภาพแห่งอัลเลาะห์ภาพหลักของดวงจันทร์ที่โคจรไปตามจักรราศีของมันภาพหลักของพิภพที่บรรทุกลูกหลานของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดําบันจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์ผู้ยิ่งใหญ่และสูงส่งยิ่ง บทนี้ได้กล่าวถึงวันกิยามะฮ์และความน่ากลัวของมันกล่าวถึงการเป่าสังแห่งวันฟื้นคืนชีพและวันชุมนุมซึ่งมนุษย์จะออกมาจากสุสานกล่าวถึงชาวนรกและชาวสวรรค์และการแบ่งแยกระหว่างผู้ศรัทธากับบรรดาอาชญากรในวันอันน่าหวาดกลัวนั้นจนกระทั่งถึงบรรดาผู้ที่มีความสุขจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อย่างถาวร และบรรดาผู้ที่มีความทุกข์ก็จะลงไปอยู่ในนรกยาหันนัมอย่างถาวรบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงเรื่องสําคัญคือเรื่องการฟื้นคืนชีพพร้อมกับได้มีหลักฐานมายืนยันว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนบิสมิลลาฮิรรฮมานิร रहीम ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ یاسین أُقْسِمُ بِالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ เป็นผู้อยู่บนแนวทางอันเที่ยงตรงซิลัลลอซีรเราะฮีมอัลกุรอานนี้เป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่งซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขามิได้ถูกตักเตือนมาก่อน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สนใจแล้วก็ได้ฮักกัลกอลอะลาอักเธรฮุมฟะฮุมลายูอ์มินูนโดแน่นอนประกาศิตได้เป็นที่สมจริงแล้วแก่พวกเขาส่วนมากเพราะพวกเขาไม่ศรัทธาอินนาจะอัลนาฟีอะนากิฮิมอักลานฟะฮียะอิลัลอัซกานฟะฮุมมุกมะฮูนถ้าจริงเราได้พันธนาการที่คอของพวกเขา มันจึงห้อยลงมาที่คางของพวกเขาดังนั้นศีรษะของพวกเขาจึงเงยขึ้นและเราได้ทําเครื่องกีดขวางไว้ข้างหน้าพวกเขาและเครื่องกีดขวางไว้ข้างหลังพวกเขาและเราได้คลุมพวกเขาไว้อย่างมิดชิดดังนั้นพวกเขาจึงมอง ماเห็น وساوا عليهم انذرتهم ام لم تندرهم لا يؤمنون لميผล เท่ากันแกพวกเขาเจ้าจะตักเตือนพวกเขาหรือไม่ก็ตามพวกเขาก็จะไม่ศรัทธา انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فَتَشِيدُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ فَتَجِينْ เจ้าเพียงแต่ตักเตือน وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ تَجْعَلُنَا بَعْدَ الْمَوْتِ حَيًّا وَنُسَجِّلُ مَا قَدَّمُوا وَمَا أَخَّرُوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ พระเจ้าจึงเล่าเรื่องชาวเมืองอันโตเกียวแก่พวกเขาเมื่อมีศาสนทูตมายังเมืองนั้น เมื่อเราส่งศาสนทูตคนคน 2 คนไปยังพวกเขาพวกเขาได้ปฏิเสธเขาทั้งสองดังนั้นเราอัลเลาะห์จึงได้เพิ่มพลังด้วยการส่งศาสนทูตคนที่ 3 และพวกเขาบรรดาศาสนทูตได้กล่าวว่าแท้จริงพวกเราถูกส่งมายังพวกเจ้าแล้วอูลูมาอันตุมอิลลาบัชรมิตลนาวะมาวะมาอันซัลอัรเราะห์มานมินชัยอ์ ท่านล้วนแต่โกหกพวกเขากล่าวว่าพวกท่านไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญเช่นเดียวกับพวกเราและพระผู้ทรงกรุณาไม่ได้ประทานสิ่งใดลงมาพวกท่านไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากกล่าวเพทกูลูร็อบบุนนายะอฺลามูอินนาอะลัยกุมลัมุรซะลูน พวกข้าบรรดาศาสนทูตกล่าวว่าพระผู้เป็นบานของเราทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงเราถูกส่งมายังพวกเจ้าอย่างแน่นอนวะมาอะลัยนาอิลัลบะลัฆุนมุบีนและไม่มีหน้าที่อื่นใดแก่พวกเรานอกจากการประกาศเชิญชวนอันชัดแจ้งเท่านั้นกะลูอินนาตัยยัรนาบิคุม لا اِلَّم تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ພວກເຂົາກ່າວວ່າແທ້ຈິງເຮົາถือເປັນລາງຮ້າຍຕໍ່ພວກທ່ານຫາກພວກທ່ານບໍ່ຍອມຢຸດຍັງເຮົາຈະຫີນຂ້ວາງພວກທ່ານຈົນຕາຍແລະແນ່ນອນການລົງໂທດອັນເຈັບປວດຈາກພວກເຮົາຈະປະສົບແກ່ພວກທ່ານ ﻗﺎﻟﻮ ﻃﺎﺋﺮﻜﻢ معكم ااذكرتم بل انتم قوم مسرفون พวกบรรดาศาสนทูตกล่าวว่าความชั่วของพวกเจ้าเพราะพวกเจ้าเองพวกเจ้าได้ถูกตักเตือนมาก่อนแล้วไม่ใช่หรือเปล่าดอกพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนทั้งนั้น قال يا قوم اتبعوا المرسلين لم يชายคนหนึ่งจากสุดหัวเมืองได้มาอย่างรีบเร่ง เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงปฏิบัติตามบรรดาศาสนทูตเหล่านี้เถอะ Ittabi'u-man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun พวกเจ้าจงปฏิบัติตามผู้ที่ไม่ได้เรียกร้องรางวัลใดๆจากพวกเจ้า และพวกเขาก็เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและทําไมเล่าฉันจะไม่เคารพภักดีผู้ทรงบังเกิดฉันและยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนํากลับไปเออจะถือจากดุนีอัลฮะตันอินยูริดนิอัรเราะห์มานุบิดรลาตูฆนิอันนีชะฟาอะตุฮุม لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذونไจจันยัตถีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์กระนั้นหนะหากพระผู้ทรงกรุณาทรงประสงค์จะก่อความทุกข์ยากแก่ฉันการขอความช่วยเหลือของพวกเขาจะไม่ก่อประโยชน์อันใดแก่ฉันและพวกเขาก็จะช่วยให้ฉันรอดพ้นจากการลงโทษไปไม่ได้เอ็นนี่ ذَلَّ فِي ضَلَالٍ <San> مُبِينٍ แท้จริงเมื่อนั้นฉันอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง<แทน์> إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ <San> فَاسْمَعُون แท้จริงฉันศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเชื่อฟังฉันสิ<แทน์> <San> تِلَذُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ มีเสียงกล่าวว่า จงเข้าไปในสวนสวรรค์เถิดเขากล่าวว่าโอ้มาดว่ากลุ่มชนของฉันได้รู้ถึงสภาพของฉันถึงการที่พระผู้อภิบาลของฉันทรงอภัยโทษให้แก่ฉันและทรงทําให้ฉันอยู่ในหมู่ผู้มีเกียรติถึงการที่พระผู้อภิบาลทรงลงมาบนกลุ่มชนของเขา بعده من جند من السماء وما وما كنا منزلين لا راهي ได้ส่งไพพลลงมาจากฟ้าฟ้าแก่กลุ่มชนของเขาหลังจากเขาและเราก็ไม่ใช่ผู้ส่งเขาลงมา ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون มันไม่ใช่อื่นใดนอกจากเสียงกัปนาทเพียงครั้งเดียวแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็ดับสนิทยาฮะสเราะอะลัลอะดาดมายาตีฮิมมินอัรเราะซูลอิลลากานูบิฮิยัสเตห์ซีอูนโอ้อนิจาพวงบ่าวไม่มีศาสนทูตคนใดมายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาได้เย้ยหยันเขา Alam yaraw kam ahlakna qablahum min alqurun an annahum ilayhim la yarji'un Wa qamaida bicharana dok liwa gee sattawat ma laew kornah phuakhao rao dae tamlai doi thi khao laon nan mai dae krap ma yang phuakhao loe Wa in kullun lamma jamii'un ladaina muhdharun แล้วแต่ละคนในพวกเขาทั้งหมดจะถูกนํามาปรากฏต่อหน้าเราในวันปรโลกวะอายาตุลละฮุมุลอัรฎุลไมตะตุอะห์ยัยนาฮาวะอัคเราญนาวะอัคเราญนามินฮาฮับบันฟะมินฮุยะอ์กูลูนละสัญญาณ 1 สําหรับพวกเขาก็คือแผ่นดินที่แห้งแล้งนั้นเราได้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาและเราได้นําเมล็ดพืชออกมาจากมันแล ซึ่งส่วนหนึ่งจากเมล็ดพืชนั้นพวกเขาใช้รับประทานวะจัลลนาฟิฮาจันนาตินมินนคีลวะอานาบวะฟัจญัรนาฟิฮามินัลอยูนเราได้ทําให้แผ่นดินนั้นมีเรื่องสวนมากมายจากอินทพะลัมและองุ่น แล้วเราได้ทําให้มีตาน้ําในนั้นลียกูลูมินตะมรีวะมาอะมิละตุอัยดีฮิมอะฟะลายัชกุรุนเพื่อพวกเขาจะได้กินผลไม้ของมันและจากสิ่งที่มือของพวกเขาได้กระทํามันขึ้นแล้วพวกเขาจะไม่ขอบคุณการนั้นหรือ سبحانا الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون ماหาบริสุทธิ์แด่พระผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่ๆ จากสิ่งที่แผ่นดินได้มันงอกเงยขึ้นมาและจากตัวของพวกเขาเอง และจากสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ว่าอายะตุละฮุมุลไลลุนซละขุมินฮุมนะฮาฟา ithaฮุม มุฎลิมูนและสัญญาณ 1 สําหรับพวกเขาก็คือกลางคืนเราได้ถอนกลางวันออกจากมันและพวกเขาก็อยู่ในความมืด وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ละดวงอาทิตย์จะโคจรตามวิถีของมันนั่นคือการกำหนดของพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงรอบรู้ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَا مَنَازِلَهُ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ละดวงจันทร์นั้นเราได้กำหนดให้มันโคจรตามตำแหน่ง ดวงกระทั่งมันได้กลายมาเป็นเช่นกิ่งอินทภะหลำแห้งและ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ول الليل سابقها وكل في فلك يسبحون ดวงอาทิตย์ก็จะไม่ได้รับอนุมัติแก่มันที่จะไล่ตามใกล้ดวงจันทร์และกลางคืนก็จะไม่ล้ำหน้ากลางวัน และทั้งหมดนั้นจะเวียนว่ายอยู่ในจักรราศีและสัญญาณหนึ่งสําหรับพวกเขาก็คือเราได้บรรทุกลูกหลานของพวกเขาไว้ในเรือจนเต็มและเราได้สร้างทํานองเดียวกันนี้แก่พวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้ขับขี่ว่าอินนาชะอ์นุฆริกุมฟะลาซอรีคละฮุมวะลาฮุมยุนกะดูนาอิลลาเราะห์มะตันมินนาวะมะตาอันอิลายินเราะทราอะปราสงเราก็จะจมพวกเขาเสียแล้วจะไม่มีผู้ตะโกนเพื่อขอความช่วยเหลือให้แก่เขาและพวกเขาก็จะไม่ถูกช่วยให้รอดพ้นจากการจมน้ําตายด้วยเว้นแต่ด้วยความเมตตาจากเราและความเพลิดเพลินชั่วระยะนี้ وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ละไม่มีสัญญาณใดๆในบรรดาสัญญาณของพระผู้อภิบาลของพวกเขาได้มายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะผินหลังให้แก่สัญญาณนั้นๆวะอีดากีละละฮุมอันฟิกูมิมมารซะกะกุมุลลอฮุกอลัลละซีนกะฟะรูกอลัลละซีนกะฟะรูลิลละซีนอามานูอันตุอิมะมันลาวยะชาอัลลอฮุอะตุอิมะ ان انتم الا في ضلال مبين ละมื้อมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าเราจะให้อาหารแก่ผู้ที่หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ก็จะให้อาหารแก่เขากระนั้นหรือพวกเจ้าไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจาก อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งและพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงมายืนดูนเอเหลือเสียงเดียวที่จะเอาพวกเขาขณะที่พวกเขากำลังขัดกันพวกเขาไม่ได้ค่อยสิ่งใดเลยนอกจากเสียงกำปนาทเพียงครั้งเดียว ซึ่งจองชีวิตพวกเขาในขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอยู่ลายัสตะตียูนตอซียะตะวะลาอิลาอะห์ลิฮิมยัรญะอูนและพวกเขาก็จะไม่สามารถสั่งเสียอะไรและพวกเขาก็ไม่ทันจะกลับไปยังครอบครัวของพวกเขาได้วะนูฟิคาฟิสซูรฟะอิซาฮุมมินัลอญดาฟีลาร็อบบิฮิมยันซิลูนและสังก็จะถูกเป่าขึ้น ทันใดนั้นพวกเขาก็ออกจากหลุมฝังศพแล้วพวกเขาก็จะรีบรุดไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเขากาลูยาไวลานามันบะอะษนามินมัรกดินาฮาดามาวะอะดอัรเราะห์มานวะศอดอกัลมุรซะลูนพวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะที่ประสบแก่เราใครเล่าที่ทําให้เราฟื้นจากที่นอนของเราในกุโบร์จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า นี่แหละคือสิ่งที่พระผู้ทรงกรุณาได้ทรงสัญญาไว้และบรรดารอซูลได้กล่าวสมจริงแล้วอินกานัตอิลลาไซฮะฮะวาฮิดะฟาอิซาฮุมญะมีอุนละดัยนามุคบะรูนไม่มีอะไรดอกนอกจากเสียงกำนาดเพียงครั้งเดียวทันใดนั้นพวกเขาทั้งหมดก็จะถูกนำมาปรากฏต่อหน้ารา ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ ਅਸਹਾਬਲ ਜਨਨਤ ਅਲਯੋਮ ਫੀ ਸ਼ੁਗੁਲ ਫਾਕੀਹੂਨ ท่านจึงในวันนั้นชาวสวรรค์จะอยู่ในกิจกรรมอันสุขสําราญฮุมวะอซวาจุมฟีซิลาลอะลัลอาราอิกมุตตะกีนพวกเขาและคู่ครองของพวกเขาจะอยู่ภายใต้ร่มเงานอนเอกเหนกอยู่บนเก้าอี้นุ่มสําหรับพวกเขาในสวนสวรรค์นั้นจะมีผลไม้ แล้วสําหรับพวกเขาจะมีสิ่งที่พวกเขาต้องการความสันติซึ่งเป็นพระดํารัสหนึ่งจากพระผู้อธิบานผู้ทรงเมตตาเสมอวัน ذاซุล ยาอ์มะอัยฮัลมุจริมูนโอ้บรรดาอาชญากรทั้งหลายวันนี้พวกเจ้าจงถอยห่างออกไปให้พ้น Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum 'aduwwun mubeen Kam ray sanya kae phuak chao dok rue O luk lan khong Adam wa phuak chao ya dai khorop buucha shaytan man wai แต่จริงมันเป็นศัตรูตัวชกาดของพวกเจ้าว่าอันอับดูนูฮาซาศิราฏมุสตะกีมและพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้านี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงวะลกอดอดัลละมินกุมจิบิลลันกะซีรันอะลัมตะกูนูตะอ์ติลูนและแน่นอนมันได้ทําให้กลุ่มชนจํานวนมากของพวกเจ้าหลงทางทําไมพวกเจ้าจึงไม่ใช้สติปัญญาใคร่ครวญล่ะ هذه جهنم التي كنتم تعدون นี่คือนรกญะฮันนัมซึ่งพวกเจ้าถูกสัญญาไว้ السوء هل يوم بما كنتم تكفرون วันนี้พวกเจ้าจะได้เข้าไปลิ้มรสมันเนื่องจากพวกเจ้าปฏิเสธ اليومเราจะปิดปากของพวกเขาและมือของพวกเขาจะพูดกับเราและเท้าของพวกเขาจะให้การเป็นพยาน وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون วันนี้เราก็จะปิดผนึกปากของพวกเขาและมือของพวกเขาจะพูดแก่เราและเท้าของพวกเขาจะเป็นพยานตามที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ ولو نشاء علقمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فان لا يبصرون และหากเราประสงค์เราก็จะทําให้ตาของพวกเขาบอดและพวกเขาก็จะค้ําหาทางแต่พวกเขาจะเห็นได้อย่างไรวะลอลาชาอุลามซะคนาฮุมอะลามะกานะติฮิมฟะมัสตะฏออมะฎิยวะลายัรญิอูนและหากเราประสงค์เราก็จะแปลงรูปของพวกเขาให้อยู่กับที่ของพวกเขา แล้วพวกเขาก็จะไม่อาจไปข้างหน้าได้และก็ไม่อาจจะถอยกลับไปได้และผู้ใดที่เราให้เขามีอายุยืนนานเราจะให้กลับคืนสู่สภาพเมื่อตอนแรกเกิดแล้วพวกเขาไม่ใช้สติปัญญาใคร่ครวนบ้างหรอกดู وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين เราไม่ได้สอนกวีนิพนธ์แก่เขาและไม่เหมาะสมแก่เขาที่จะเป็นกวีคัมภีร์นี้ไม่ใช่อื่น لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَحِقَّ القَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ พวกเรามีได้พิจารณาดูดอกถึงว่าเราได้สร้างปาสุสัตว์ขึ้นมาเพื่อพวกเขาจากสิ่งที่มือของเราได้ทําขึ้นแล้วพวกเขาก็ได้ครอบครองมันวะดัลลัลนาละฮุมฟะมินฮาระคูบุมวะมินฮายะอ์กูลูนและเราได้ทําให้พวกมันยอมจํานวนแก่พวกเขาดังนั้นบางชนิดมันก็เป็นพาหนะแก่พวกเขาและบางชนิดพวกเขาก็ใช้กินเป็นอาหาร وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ لَنَا الثَّمَنُ مَنٌّ نَنْتِي ประโยชน์มากมายและมีเครื่องดื่มสําหรับพวกเขาและพวกเขาจะยังไม่ขอขอบคุณอีก วัตَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ และพวกเขาได้ยึดถือเอาพระเจ้าหลายองค์เป็นที่เคารพสักการะอื่นจากอัลเลาะห์ หวังว่าพวกเขาจะรับความช่วยเหลือจากมันพวกมันไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้พวกเขาจะถูกนํามาปรากฏตัวเป็นกลุ่มๆเพื่อพวกมัน فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون ดังนั้น อย่าได้คําพูดของเขาเป็นที่เสียใจแก่เจ้าแท้จริงเรารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขาปิดบังและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยอะวะลัมยะรัลอินซานอันนาคอลักนาฮูมินนุตฟะฮ์ฟะอิซาฮุวะคอซิมมุบีนมนุษย์มิได้พิจารณาดูดอกหรือว่าเราได้บังเกิดพวกเขามาจากน้ําอสุจิ และเค้าก็ได้เป็นคู่ปรปักษ์ตัวชะกาวาดอรบะละนามะซะลุวะนะซิขัลกะกอละมันยุฮยิลอิดามะวะฮียะระมีมและเค้าได้ยกอูถาฮอนเปรียบเทียบแก่เราและเค้าได้ลืมต้นกําเนิดของเค้าเค้ากล่าวว่าใครเล่าจะทําให้กระดูกมีชีวิตขึ้นมาอีกในเมื่อมันเป็นผุยผงไปแล้ว কুল ইয়ুহিয়া আল্লাযী আনশাআহা আউয়াল মাররা ওয়া হুয়া বিকুল খলকিন আলীম จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพระผู้ทรงให้กําเนิดมันครั้งแรกย่อมจะทรงให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีก และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้การบังเกิดทุกสิ่งอัลลซีจอะละละกุมมินัชชะญะริลอัคาะดะรินารัมฟะอิซาอันตุมฟะอิซาอันตุมมินฮุตูกิดูนผู้ทรงทําให้มีไฟสําหรับพวกเจ้าจากต้นไม้เขียวสดและพวกเจ้าก็ได้จุดมันจากเชื้อเพลิงนั้น أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ព្រះអង្គผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและปੰเดត จะไม่สามารถสร้างเช่นเดียวกับพวกเขากระนั้นรึแน่นอนและพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงรอบรู้ انما امره اذا اراد شيئا أَنْ, ان يقول له ان يقول له كن فيكون พระบัญชาของพระเมื่อทรงประสงค์สิ่งใดพระองค์ก็จะ ละมันก็จะเป็นขึ้นมาซุบฮานัลลซีบิยดือฮีมะละกูตุกุลลัยชัยอ์วะอิลัยฮิตัรญะอูนดังนั้นมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ซึ่งด้วยพระหัตถ์ของพระองค์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งและอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไป